พระบัญญัติข้อ6ก9็ก็ภิกษุณีใดก่อคดีวิพากษ์กับ่าบดีกับบุตร่าบดีกับทานหรือกับกรรมกรโดยที่สุดกระทั่งกับสมณะปริพาชกภิกษุณีนี้ต้องทำคือสังฆาทิเศษที่ชื่อว่าปฐมาปฏิกะนิสรณียเรื่องอุบาสกกับภิกษุณีทุลนันทาจบ